วันนี้เป็นวันเสาร์ที่15ตุลาคมพุทธศักราช2565เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อเข้าหาธรรมะคำสั่งคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐผู้ทรงพระคุณคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระกรุณาที่คุณเป็นผู้ที่ได้พบลดแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวง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 มีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ได้ค้นพบทางสู่การหลุดพ้นทางสู่การยุติการเวียนว่ายตายเกิดยุติความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่สัตว์โลกอย่างพวกเรากำลังต้องเผชิญกันอยู่ในขณะนี้ พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบทางสู่การหลุดพ้นแล้วก็นำเอาความรู้อันนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายผู้ใดที่ได้ยินได้ฟังและมีศรัทธาความเชื่อน้อมนำเอาไปปฏิบัติการได้ก็จะสามารถ หุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นนักบวชหรือเป็นขารวาาผู้ครองเรือนหรือเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นชนชาติใดเผ่าใดสามารถที่จะ หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ถ้าสามารถปฏิบัติตามคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าได้และไม่จะเป็นว่าจะต้องมีพระพุทธเจ้ามาคอยสั่งคอยสอนโดยตรงเพราะว่าคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้านี้ ได้มีการบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกที่เป็นเหมือนกับเวลาที่ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าโดยตรงพระพุทธเจ้าทร ง, รงตัดไว้ก่อนที่จะจากไปว่าพวกเธอจะไม่อยู่ปราศจากเร า, าศาสดาเพราะพวกเธอจะมีพระธรรมวินัย ถ้าทำคำสั่งคําสอนของเราเป็นผู้ทําหน้าที่แทนเราต่อไปเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอถ้ามีธรรมะคาสั่งคําสอนของเราเป็นผู้นําทางพวกเธอก็จะสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราได้ไปถึงได้อย่างแน่นอนดังนั้นไม่ ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นยุคสมัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ผู้ปฏิบัติจะสามารถหลุดพ้นได้พอพระพุทธเจ้าจากโลกนี้ไปแล้วจะไม่มีใครสามารถปฏิบัติและหลุดพ้นได้อันนี้เป็นความเข้าใจผิดความเข้าใจที่ถูกต้องก็คือผู้ที่ เข้าถึงพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและมีศรัทธาความเชื่อสามารถปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ผู้นั้นก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ไม่ว่าจะเป็นยุคพุทธกาลที่ผ่านไปแล้วหรือเป็นยุคในปัจจุบันนี้ หรือเป็นยุคในอนาคตข้างหน้าเพราะว่าธรรมะคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอาการิโกเป็นคาสอนที่ไม่ได้ถูกกำจัดด้วยกาลรรเวลาถ้ายังมีคาสั่งคำสอนอยู่คำสอนนั้นยังสามารถนำม า, มาใช้เป็นแสงสว่างนำทางพาให้ผู้ปฏิบัติ ได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในยุคสมัยพระพุทธเจ้าก็ดียุคในสมัยปัจจุบันนี้ก็ดีหรือยุคในอนาคตข้างหน้าก็ดีถ้าตราบใดยังมีพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้และมีผู้ที่สามารถศึกษาและปฏิบัติตามได้ การหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็ยังจะปรากฏขึ้นมาได้เสมอ ย, ยังจะมีพระอาหารหันตสาวกมาปรากฏอยู่เรื่อยๆจากใดมีผู้ที่สนใจศึกษาสนใจปฏิบัติตามทางที่พระเจ้าได้ทรงดำเนินไปทางที่พาให้พระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ เห็นการเวียนว่ายตายเขิดนี้ท่านเรียกว่ามักแปดมักที่มีองค์แปดเป็นมัชิมาเป็นทางสายกลางคือเป็นทางระหว่างการทรมานตนเองหรือการบำรุงตนเองด้วยความสุขต่างๆทางสองทางนี้ ได้มีการพิสูจน์จากพระพุทธเจ้าแล้วว่าไม่ได้เป็นทางที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้สมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ออกบวชพระพุทธเจ้าก็ใช้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความสุขทางลาบยศสรรเสริญมาดับความทุกข์ใจต่างๆ แต่ก็ไม่สามารถดับได้อย่างถาวรดับได้เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วไม่นานความทุกข์ใจก็จะโผล่มาอยู่เรื่อยๆเพราะว่าสาเหตุที่สร้างความทุกข์ใจนี้ไม่ได้รับการกำจัดไปนั่นเองไปกำจัดที่ปลายเหตุ เวลาที่ไม่สบายใจก็จัดงานเลี้ยงกันฉลองกันไปเที่ยวกันไปดูไปฟังไปกินไปดื่มอะไรกันก็ทำให้ลืมความไม่สบายใจความทุกข์ใจไปได้ชั่วคราวแต่พอหลังจากได้ทำเสร็จไปแล้วความทุกข์ใจก็ยังมีอยู่ในใจอยู่ต่อไปแล้วก็จะโผล่ขึ้นมาเรื่อย เวลาใดที่เราคิดถึงความแก่เราก็จะไม่สบายใจคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่สบายใจคิดถึงความตายคิดถึงการพัดพรากจากกันเราก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาทุกครั้งไปเนั้นการที่เราจะใช้การมีลาบยศสรรเสริญ มีความสุขทางตาหูจมูกนิ้กายนี้มากำจัดความทุกข์ใจนี้จะไม่สามารถกำจัดได้อย่างถาวรกำจัดได้เป็นพักๆชั่วขณะที่เราได้ไปได้สิ่งที่เราอยากได้อยากดูกอยากฟังเท่านั้นเองแต่เดี๋ยวก็เราก็จะต้องมาเจอกับความทุกข์ ของความแก่ของความเจ็บของความตายอยู่ดี <Yeah. S 1> พระพุทธเจ้าจึงทรงเห็นว่านี่ไม่ใช่เป็นทางสู่การดับทุกข์ <Yeah. S 1> ก็เลยทรงออกบวช <Yeah. S 1> แล้วก็ทรงไปปฏิบัติแบบนักบวช <Yeah. S 1> เห็นพวกนักบวช <Yeah. S 1> เขาใช้การทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆ <Yeah. S 1> เพื่อให้ร่างกายเจ็บปวดรวดล้วแล้ว หวังว่าเมื่อมีความสามารถสู้กับความเจ็บปวดยวดแล้วทางร่างกายได้แล้วจะได้จะทำให้ความทุกข์ใจหายไปมันก็ไม่หายไปซองทรงรองอดพระกาหารอยู่ถึงสี่สิบเก้าวันด้วยกันจนร่างกายนี้เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกถ้าอดต่อไปอีกไม่กี่วันก็คงจะต้องตายแต่ความ ทุกใจนี่ก็ยังไม่หายไปยังทุกข์กับความแก่ยังทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยยังทุกข์กับความตายของร่างกายอยู่เหมือนเดิมพระองค์จึงทรงเห็นว่าทางทั้งสองทางนี้ไม่ใช่เป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์าเอาความสุขมาดับความทุกข์เอาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกาย มาดับความทุกข์ใจไม่ได้เอาความทุกข์ทรมานของร่างกายมาดับความทุกข์ใจก็ไม่ได้เพราะร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกันวิธีที่จะดับความทุกข์ของใจนี้ต้องมาหยุดเหตุที่สร้างความทุกข์ของใจที่พระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ยุติการ ใช้วิธีสองวิธีดังกล่าวก็หันมาทดลองวิธีที่สามว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้ต้นเหตุของความทุกข์ใจนีหายไปได้และอะไรเป็นเหตุของความทุกข์ใจพ่ะองค์จึงต้องหันกลับเข้ามาใช้การปฏิบัติภาวนาเพราะการภาวนานี่แหละเป็นวิธีที่จะเข้ามา บำบัดรักษาบำบัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้ด้วยการเจริญส ม, มถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาคือเจริญสมาธิและเจริญปัญญาตามลาดับบางต้นก็เจริญสมาธิทำใจให้สงบ เวลาใจสงบนิ่งความทุกข์ต่างๆก็หยุดทำงานชั่วคราวพอออกจากสมาธิมาพอใจเริ่มคิดถึงเรื่องของร่างกายคิดถึงเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายเรื่องของการพัดพากจากกันก็ทำให้เกิดความไม่สบายใจกับความทุกข์ใจขึ้นมา ก็ทรงพิจารณาว่าทำไมต้องมาทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ปวดทุกข์กับความตายพองค์ก็ทรงได้คำตอบว่าเพราะความอยากนี่อยากไม่แก่อยากจะให้ร่างกายนี้แข็งแรงอยากให้เป็นหนุ่มเป็นสาวไปเรื่อยอยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ปวด และอยากไม่ให้ร่างกายตายนั่นเองความอยากเหล่านี้เป็นต้นเหตุที่ทําให้ใจต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแล้วจะทําอย่างไรที่จะทําให้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาความเป็นจริงของร่างกายว่า ทำให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้หรือไม่เมื่อพิจารณาด้วยปัญญาก็เห็นว่าทําไม่ได้ร่างกายนี้ไม่มีใครมาทําให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของระบบของธรรมชาติเขาเป็นอย่างนี้ร่างกายนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบของธรรมชาติ มีการเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีการตั้งอยู่แล้วก็มีการดับไปเหมือนกับสิ่งอื่นๆที่อยู่อยู่ในโลกนี้เป็นปรากฏการธรรมชาติทั้งนั้นเช่นต้นไม้ก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวก็ตายไปดอกไม้ก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป แม้แต่ดวงอาทิตย์นี้ก็มีการเกิดขึ้นในตอนเช้าตั้งอยู่ในตอนกลางวันแล้วตอนเย็นมันก็ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่มีใครไปสามารถไปยับยั้งเขาได้หยุดเขาได้เปลี่ยนเขาได้ถ้าเราไม่ไปอยากให้เขาเป็น ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เราก็จะไม่ทุกข์กับเขาคือถ้าเรายอมรับความเป็นจริงของเขาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ <c oughs> มีการเกิดขึ้นแล้วก็จะมีการตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวก็มีการดับไปร่างกายนี้ก็เหมือนกันไม่มี ใคที่จะไปทําให้เกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีการดับไม่มีดูร่างกายของคนแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ผ่านมาเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปกันทั้งนั้น <c oughs> ถ้าหยความไม่อยากให้ร่างกายแก่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากให้ร่างกายตายได้ความทุกข์ก็จะไม่มี พระพุทธเจ้าจึงทรงเห็นว่าปัญหาก็อยู่ที่ความอยากนี่อยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เมื่อพิจารณาธรรมชาติของร่างกายแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนี้มันเกิดแล้วมันก็จะต้องแก่มันต้องเจ็บแล้วมันก็ต้องตายไปในที่สุดไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดทุกคนพอเห็นความจริงอย่างนี้แล้วก็เลยมา เปลีใจได้เปลี่ยนจากการไม่อยากให้ร่างกายแก่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากให้ร่างกายตายได้เพราะว่าเป็นวิธีที่จะทําให้ใจไม่ทุกข์กับร่างกายนั้นเองพอพระพุทธเจ้าทรงเปลี่ยนความอยากจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็น เป็นการหยุดความอยากคือปล่อยให้อยากปล่อยให้น่ากายแก่ไปเจ็บไปตายไปอยากไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอยากไปก็ทุกข์ถ้าไม่อยากก็ไม่ทุกข์ <Yeah. S 1> พระอุตจ้าก็เลยท่งคนพบวิธีดับความทุกข์ว่าเกิดจากความอยากของใจนี้ไปอยากกับสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าอยากให้เขา ไม่มีการดับเกิดแล้วอยากให้เขาตั้งอยู่ไปตลอดแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เกิดขึ้นมาแล้วจะตั้งอยู่ไปตลอดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาแล้วไม่ช้าก็แล้วก็จะต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาจึงยอมรับความจริงอันนี้และหยุดความอยากของตนเองได้บ่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดดับไปตาม ธรรมชาติของเขาร่างกายเกิดแล้วจะแก่ก็ปล่อยให้แก่จะเจ็บก็ปล่อยให้เจ็บถ้ารักษาได้ก็รักษาไปถ้ารักษาไม่ได้ก็ปล่อยให้มันเจ็บไปถ้าตายถ้าป้องกันได้ก็ป้องกันไปถ้าป้องกันไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันไปท่านั้นเองความทุกข์ที่เคยมีอยู่ในใจก็จะหายไปหมดเรียกว่าวิมุตติ หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เช่นเดียวกับภาวะอย่างอื่นที่ที่ใจไปเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เป็นเหมือนกันเป็นภาวะทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปถ้าไปอยากก็จะทุกข์กับเขาถ้าไม่ไปอยาก ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาใจก็จะไม่ทุกข์อารมณ์ก็เช่นเดียวกันอารมณ์ก็เป็นภาวะทางธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปถ้าไม่ไปมีความอยากกับอะไรกับเขาปล่อยให้เขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปใจก็จะไม่ทุกข์กับเขาพระพุทธเจ้าก็เลยทรง ละความอยากทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในใจได้หมดยึงทําให้ใจของพระพุทธเจ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้อย่างถาวรไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะเหตุที่ทําให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็คือความอยากนี่อยากมีร่างกายอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆแต่ ถ้าได้ร่างกายมาแล้วก็จะต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้ไม่คุ้มเสียความสุขที่ได้จากการใช้ร่างกายไปหาความสุขกับความทุกข์ที่ได้จากความแก่ความเจ็บความตายนี้มันไม่คุ้มค่ากันสู้อย่างกลับมาเกิดดีกว่าแล้วก็การไม่เกิดนี้การไม่มีความอย่างนี้ก็จะทำให้ความได้ความสุข ที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้คือความสุขที่เกิดจากการหลุดพ้นจากความทุกข์เรียกว่าวิมุตติสุขวิมุตติสุขนี้คือการไม่มีความทุกข์ในใจอันนี้แหละเป็นความสุขที่เลิดที่ประเสริฐที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเพราะเป็นความสุขที่ถาวรที่จะไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมด ไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปพอหมดไปสุขก็หมดไปทุ ก, ก็เข้ามาแทนที่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตัดสั้ได้ทรงค้นพบว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากอยากในการมีร่างกาย พราต้องการใช้ร่างกายมาตอบสนองความอยากทางกามคือทางตาหูจมูกนิ้วกายเรียกว่าการมาตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ความอยากมีอยากเป็นมีร่างกายอยากมีร่างกายอยากมีร่างกายแล้วก็อยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆเรียกว่าความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็คือ พอได้ร่างกายแล้วก็อยากให้น่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่ความอยากอันนี้จึงเป็นตัวที่คอยสร้างความทุกข์ให้กับใจอยู่ไม่รู้จักจบจากสิน้นพอร่างกายนี้ตายไปแล้วก็ยังไปหาร่างกายอันใหม่มามารับใช้อีกมาหาความสุขอีกยังมีการเกิดมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆไม่มีการสูญ ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจที่มีความอยากก็เลยต้องไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้ได้ใช้ร่างกายอันใหม่มาตอบสนองความอยากของใจต่อไปแล้วก็ต้องมาทุกกับการมีร่างกายทุกกับความแก่ความเจ็บความตายเป็นอย่างนี้ไปเป็นรอบๆได้ร่างกายนี้ก็ก็ทุกไปรอบหนึ่ง พอร่างกายนี้ตายไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่ก็ไปหาความทุกข์อีกรอบหนึงรอบใหม่ไปเลยเนี่ยเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดอย่างเนี้ยไม่มีวันสิ้นสุดถ้าถาบใดไม่ได้มาค้นพบความจริงว่าตัวที่เป็นสาเหตุที่พาให้เวียนว่ายตายเกิดตัวที่พาให้จิตต้องทุกกับสิ่งที่ได้มาก็เพราะความอยากต่างๆของใจนี่พอ มีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบความจริงอันนี้และทรงค้นพบวิธีที่จะละความอยากดับความทุกข์ต่างๆภานยในใจให้หมดสิ้นไปได้ก็เลยนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่ไม่รู้และมีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างที่พระเจ้าได้ทรงหลุดพ้นก็จะมีการ ศึกษามีการเชื่อมีความศรัท ธ, ธาแล้วก็จะมีการปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนพอ ป, ปฏิบัติตามได้ก็สามารถที่จะละความอยากทั้งหลายที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้และดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปยุติการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีการต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำคือได้ส่งพบทางสู่การหลุดพ้นที่เรียกว่าทางสายกลางทางที่จะหลุดพ้นไม่ได้หลุดพ้นด้วยการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายมาดับดับไม่ได้การจะทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆก็ไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้ต้องดับความทุกข์ทางใจด้วยการปฏิบัติ มร์แปดคือต้องเจริญมรกที่มีองค์แปดมร์คือทางสู่การหลุดพ้นที่มีองค์ประกอบอยู่แดองค์หรือมีธรรมะแดข้อด้วยกันที่ผู้ปฏิบัติจะต้องเจริญขึ้นมาสร้างขึ้นมาให้ได้ข้อที่หนึ่งเรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องข้อที่สองสัมมาสังกะปะ คือความดําหนี่ชอบหรือความคิดชอบข้อที่สามคือสัมมากรรมโตคือการกระทําชอบกระทําทางกายชอบที่ถูกต้องชอบแปลว่าถูกต้องข้อที่สี่คือการพูดที่ถูกต้องสัมมาวาจาคือพูดแล้วก็ข้อที่หคือการเลี้ยงชีพชอบ ข้อที่หการทำความเพียรชอบข้อที่7การระลึกรู้ชอบเรียกว่าสัมมาสติข้อที่8ดคือการตั้งจิตในความสงบในสมาธิเรียกว่าสัมมาสมาธิการตั้งมั่นของจิตเรียกว่าสัมมาสมาธินี่คือธรรมะแปข้อที่จะเป็นเครื่องมือ ที่จะเอามาใช้ในการละความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจและดับความทุกข์ต่างๆยุติการเวียนว่ายตายเกิดผู้ใดที่ปรารถนาที่จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปจำเป็นจะต้องมีธรรมะทั้งแปดข้อนี้อยู่ในใจของตนด้วยการ ศึกษาและด้วยการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าข้อที่หนึ่งคือการมีความเห็นที่ถูกต้องคือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องคืออะไรเช่นเห็นว่าตายแล้วไม่สูนเพราะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจไปต่อใจไปรับผลบุญผลบาปต่อถ้าทําบาปไว้ ใจก็ต้องไปรับผลัตรในอบายถ้าทำบุญไว้ใจก็จะไปรับผลบุญในสวรรค์แล้วถ้าถ้าใจชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้กำจัดความยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้กำจัดความโลภความโกรธความหลง ใจก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดยใจก็จะไปอยู่ที่นิพพานเลยอันนี้คือความเห็นที่ถูกต้องถ้าเรายังไม่มีความเห็นที่ถูกต้องเราก็ต้องเข้าหาผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องและศึกษาจากท่านเหล่านั้นผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องก็คือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวโกทั้งหลายนั่นเอง เราก็เข้าหาท่านเหล่านี้เพื่อศึกษาจากท่านไปฟังเทศฟังธรรมไปฟังคำสั่งคำสอนของท่านถ้าท่านไม่อยู่แล้วก็ถ้ามีคำสอนบันทึกไว้ในหนังสือก็เอามาอ่านได้เช่นพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเราก็ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกก็เอามาศึกษาเอามาอ่านได้ ก็ะจะได้สัมมาทิฏฐิเพราะในคําสอนนี้จะสอนเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องการไปพระนิพพานว่าทําอย่างไรถึงจะไปพระนิพพานได้ทําอย่างไรถึงไปสวรรค์ทําอย่างไรถึงไปอบายหรือศึกษาจากภาษาวกของพระพุทธเจ้ารูปใดรูปหนึ่งก็ได้ถ้าท่านจากไปแล้วก็ศึกษาจากคําสอนที่มีบันทึกไว้ในหนังสือก็ได้ หรือถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ไปอยู่ศึกษาไปปฏิบัติกับท่านเพื่อจะได้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเพราะท่านจะสอนแต่เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานเท่านั้นเองท่านจะไม่สอนเรื่องอื่นสอนให้เราไปไปสวรรค์กันไปนิพพานกันสอนให้เราปิดกัน้นอบายกันไม่ให้ไปอบายกันนี่คือสัมมาทิฏฐิ ถ้าเรายังไม่มีเราก็ต้องเข้าหาผู้รู้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งเพื่อที่เราจะได้มีสัมมาทิฏฐิศึกษาไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราก็จะมีความเห็นเหมือนกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงทำบุญตายไปไปสวรรค์ทำบาปตายไปไปอบายทำนาจใจให้บริสุทธิ์ได้ก็ไปนิพพานได้ พอเรามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเราก็จะมีข้อที่สองตามมาโดยอัตโนมัติข้อที่สองก็คือสัมมาสังกปรความดำํำริหรือความคิดที่ถูกต้องเราก็จะคิดว่าเมื่ออบายมีจริงทําบาปแล้วไปอบายเราก็อย่าไปทําบาปต่อไปนี้จะไม่ทําบาปเราจะทําแต่บุญ แล้วก็ถ้าเราอยากจะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องชำระใจละติเลตันหาให้หม ด, หมดไปจากใจด้วยการปฏิบัติทำข้อต่างๆต่อไปเมื่อเรามีความคิดอย่างนี้มันก็จะพาให้เรามาสู่ข้อที่สามคือการกระทำที่ถูกต้องคือสัมมากามันโต การกระทําที่ถูกต้องก็คือการไม่ทําบาปต่างๆนี่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไมอ่อันนี้เป็นข้อที่สการเอาการกระทําทางกายก่อนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่ดื่มสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆเช่นการเล่นการพ น, นันการเที่ยวเตะการเกียดข้าน การครบคนชอบอบา ย, ยมุกเป็นนิสเนยนีเราก็เราก็จะคิดอย่างนี้ต่อไปนี้เราจะไม่ทำบาปเราจะต้องการมีสัมมาคํามันโตมีการกระทำที่ถูกต้องเพราะการกระทำที่ไม่ถูกต้องจะนำพาให้ใจไปเกิดนายบายถ้าเราไม่ต้องการจะไปเกิด น, นอยบายไม่ต้องการไปเป็นสัตว์เบลฉานไม่ต้องการไปเป็นเปรต เ, เป็นอสุลกายไปนรก เราก็ต้องมีสัมมารกรรมันโตคือการกระทำที่ถูกต้องคือการไม่ทบาบาปและไม่เสพอบายามุขอันนี้ก็คือมรคคอรคข้อที่สามที่เราจะต้องเจริญกันจะต้องมีกันแล้วก็มรคครคข้อที่สี่ก็คือสัมมาวาจาการพูดของเราก็ต้องเป็นการพูดที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องก็คือการพูดความจริงนั่นเอง ไม่พูดปดคือเราจะไม่พูดปดเราจะไม่พูดคำหยาเราจะไม่พูดเพราะเจอพูดคำพูดแบบไม่มีสาระคุณประโยชน์ไม่มีความรู้แล้วก็ไม่พูดยุยงให้ผู้อื่นเกิดความแตกแยกสามัคคีกันนี่เรียกว่าสัมมาวาจาการวาจาที่ถูกต้องวาจาที่จะ ป้องกันไม่ให้ใจของเราตกไปในอบายต้องมีสัมมาวาจาคือต้องพูดความจริงไม่พูดปดพูดคำหยาไม่พูดคำหยาไม่พูดเพ้เจ้พูดเรื่องไร้าสาระต่างๆเรื่องนินทากาเล่นินทาคนนั้นว่าคนนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีคุณมีประโยชน์แล้วก็ไม่พูดยุยงให้เกิดความแตกแยกสามัคคีกัน อันนี้เป็นสัมมาวาจาข้อที่ 4. สี่สหรับผู้ที่ต้องการที่จะเจริญมรรคเพื่อให้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจาเป็นที่จะต้องมีสัมมาวาจาข้อที่ห้าต้องมีสัมมาอาชีวโวคือมีอาชีพที่ชอบอาชีพที่ถูกต้องก็คืออาชีพที่ไม่ไปเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นนั่นเอง หรือไปเบียดเบียนไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเช่นอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันนี้ไม่ดีเลี้ยงหมูเลงเป็นคนฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าปลาฆ่าอะไรมาขายอย่างนี้เป็นอาชีพที่ไม่ถูกเพราะว่าไปเบียดเบียนไปทาบาลด้วยการฆ่าผู้อื่นหรืออาชีพที่ไปส่งเสริมให้มีการเบียดเบียนผู้อื่น เช่นขายของพวกที่เป็นอาวุธหรือเครื่องดักสัตว์ทั้งหลายพวกเบ็ดพวกอะไรอย่างนี้เพราะพวกอาวุธพวกดักสัตว์นี้เขาก็จะเอาไปใช้ในการที่จะไปฆ่าสัตว์หรือว่าไปดักสัตว์เอามาฆ่ า, ามากิน เ, เหล่านี้นุยาพิษต่างๆสารพิษต่างๆที่จะไปฆ่ามลพิมแมลงอะไรทานองนี้ก็ไม่ควรจะค้าขายถึงแม้เราไม่ได้ทำเอง แต่เราก็เป็นการส่งเสริมให้พูดเขาได้ทำกันยึงเป็นอาชีพที่ไม่ควรจะทำหรืออาชีพขายสุรายาเมาอย่างนี้ก็ไม่ควรเพราะจะทาให้คนดื่ดสุรามึนเมาแล้วไม่ขาดสติแล้วก็ไปสร้างความเสียหายหเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นได้สุรายาเมาและยาเสพติดทั้งหลายยาเสพติดที่ทำให้เกิดอาการมึนเมาต่างๆขึ้นมา เป็นอาชีพที่ไม่ควรทําเพราะจะเป็นการก่อกรรมให้แก่ผู้อื่นนั่นเองสร้างความทุกข์ความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนั่นก็อาจจะกลับมาหาที่ตัวเราต่อไปได้นี่คือสัมมาอาชีพยิงชีพโดยที่ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นโดยเฉพาะอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่าไปยิงนกตกปลาไปจับปลาไป จับสัตว์มาขายมาค่าแล้วก็มาขายหรือเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อที่จะเอาไปค่าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงควายพอเขาโตแล้วก็ค่าเพื่อที่จะได้เอาเพื่อที่จะได้เอารายได้มามาเลี้ยงชีพของเราอันนี้เป็นการกระทำบาปเป็นอาชีพที่ไม่ควรจะทําอาชีพที่ควรก็คืออาชีพที่ไม่ทําให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อน เช่นขายยาขายเสื้อผ้าอย่างนี้เป็นอาชีพที่ไม่มีการสร้างความเสียหายเดือดร้อน mm hmm. เรียกว่าสาัมม า, าชีพหรืออาชีพที่ถูกต้องของผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากกองทุกต้องไม่ไปสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเพราะการไปสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นมันก็จะกลับมาหาเราไม่ช้าก็เร็ว mm hmm. ในวันใดวันหนึ่งในภายภาคหน้าได้ เรียกว่าสัมมาชีพแล้วก็ข้อที่หก็คือสัมมาวายามคือความกระทาความเพียรชอบความเพียรเพียรเพียรอะไรก็เพียรละบาปเพียรสร้างบุญเพียรกําจัดกิเลสตัณหาที่มีในใจให้หมดสิ้นไปนั่นเองคือเรียกว่าเป็นการทำความเพียรชอบเป็นการ เช่นรักษาศีลนี้เรียกเป็นการทําความเพียรชอบทําบุญใส่บาตรช่วยเหลือผู้ที่เขาเดือดร้อนเช่นตอนนี้มีปัญหาน้ําท่วมคนอดยาขาดแคลนก็ไปช่วยเหลือกันแล้วไปทำบุญเพียงทําบุญเพียรละบาปแล้วก็เพียงกําจัดกิเลสตัณหาความโลภความอยากไปภายในใจอยู่เรื่อยๆ ด้วยการเจริญมรรคแปะนี้เองเรียกว่าสัมมาวายาโมความเพียรชอบแล้วก็ข้อที่เจ็ดก็คือสัมมาสติคือการระลึกรู้ชอบการระลึกรู้ที่ถูกต้องการระลึกรู้อย่างไรถึงเรียกว่าระลึกรู้ที่ถูกต้อง mm. ก็ให้ระลึกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นให้รู้อยู่กับคำบาลีรมพุทโธพุทโธพุทโธ เพื่อที่จะยับยั้งความคิดปรุงแต่งต่างๆเพราะความคิดปรุงแต่งนี่แหละเป็นตัวที่จะทำให้เกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาแล้วเมื่อเกิดความโลภเกิดความอยากก็จะเกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาถ้ามีการละเลิกรู้มีสติสัมมาสติคอยระงับความคิดปรุงแต่งที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดได้ความรู้สึกทุกข์ต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้น เรว่าสัมมาสติและเวลามีสัมมาสติคือการมีการเล็กๆรู้เพื่อไม่ให้มีความคิดต่างๆเวลานั่งสมาธิจะบริกรรมพุทธโธพุทธโธหรือจะดูลมหายใจที่ปลายจมกูกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้ามีการเล็กๆรู้อยู่กับเรื่องนี้เรื่องเดียวอยู่กับลมอย่างเดียวหรืออยู่กับพุทธโธอย่างเดียวเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ เข้าสู่สมาธิเข้าสู่สัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็สมาธิที่จิตสงบนิ่งไม่มีการคิดปรุงแต่งไม่มีการเคลื่อนไหวต่างๆไม่มีการออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆในโลกทิพย์เช่นไม่ไปพบกับไม่ไปเที่ยวสวรรค์ไม่ไปเที่ยวนรกไม่ไปพบกับกายทิพย์ไม่ไม่รับรกชาติได้ไม่ไปอ่านความคิดของคนอื่นได้ ถ้าเป็นสมาธิแบบนี้เรียกว่ามิจฉาสมาธิคือการไปเที่ยวนั่งเจริญสติเพราะจิตสงบแล้วไม่อยู่เฉยๆสลทุกสลอยากรู้อยากเห็นอยากไปเที่ยวนรกอยากจะไปเที่ยวสวรรค์อยากจะไปคุยกับไปพบกับกายทิพย์ไปพบกับเทวดาหรือไปละเลิกชาติหรือไม่มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาร์ต่างๆ อย่างนี้เรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิเพราะเป็นสมาธิที่ไม่สนับสนุนส ม, มาธิฏิสัมมาสั ง, งโปรที่จะทําให้ละกิเลสตัณหาได้นั่นเองต้องเป็นสมาธิที่นิ่งสงบเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้มีความเย็นมีความสุขมีความสบายเรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็คืออุอัปปนาสมาธิ มิจฉาสมาธิคืออุปจารสมาธิอย่าไปทางอุปจารสมาธิอย่าไปไประลึกชาติได้อย่าไปหาอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆเพราะความสามารถเหล่านี้เอามาหยุดกิเลสหยุดความอยากไม่ได้ต้องใช้ต้องใช้อัปปนาสมาธิที่มีอุเบกขาถ้ามีอุเบกขาแล้วเวลาเกิดความอยากขึ้นมาปัญญาบอกให้หยุดก็จะหยุดได้ ถ้าปัญญาบอกว่าอยากแล้วทุกข์ถ้ามีอุเบกขาก็หยุดความอยากได้แต่ถ้าไม่มีอุเบกขาถึงแม้ปัญญาบอกว่าหยุดแล้วหยุดแล้วจะไม่ทุกข์ก็หยุดไม่ได้เพราะไม่มีกำลังหยุดกำลังกลังหยุดของใจก็คืออุเบกขานี้เองดังนั้นเวลาที่เข้าสมาธินี้จำเป็นที่จะต้องอให้เข้าอยู่ในอัปปนาสมาธิ อย่าปล่อยให้ออกไปทางอุปจารสมาธิซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นกับทุกคนอยู่แล้วไม่ต้องกังวลส่วนใหญ่นี้จะไปไม่ถึงอุปจารสมาธิกันส่วนใหญ่จะไปถึงแค่อั ป, ปนาสมาธิแต่ถ้าสำหรับคนบางคนที่มีความสามารถพิเศษสามารถไปถึงอุปจารสมาธิได้ก็ต้องดึงเอาไว้ก่อนในช่วงที่กาลังปฏิบัต เพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนี้ไม่ควรที่จะให้ใจไปทางอุปจาระสมาธิเพราะไม่เกิดประโยชน์ต่อการดับความทุกข์ต้องห้ามใจไว้แต่ถ้าหลังจากที่ได้กําจัดความทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วถ้าอยากจะใช้อุปจารสมาธิมาให้เป็นประโยชน์ก็สามารถใช้ได้เช่นพระพุทธเจ้าก็ใช้อุปจาระสมาธิ ในการอบรมสั่งสอนเทวดาต้องมีอุปจารสมาธิถึงจะสามารถสั่งสอนพวกเทวดาได้ผ้าละหัน์ที่ไม่มีอุปจารสมาธิก็จะไม่สามารถสั่งสอนพวกเทวดาได้ต้องเป็นพวกที่มีอุปจารสมาธิเท่านั้นเองแต่อุปจารสมาธินี้มีประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่นเช่นสั่งสอนพวกเทวดาอย่างนี้แต่ถ้า ตนเองเอามาช่วยตนเองดับความทุกข์นี้ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรายังดับความทุกข์ไม่ได้ยังไม่หมดอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเรื่องอุปจารสมาธิพยายามดึงใจไว้ท่านใจจะออกไปทางอุปจารสมาธิให้ดึงกลับเข้ามาในอัปปนาสมาธิให้ใจนิ่งเฉยเฉยสักตะวะรู้ไปนานๆเพื่อจะได้มีอุเบกขามากๆไว้ต่อต้านความอยาก เวลาที่ออกจากสมาธิมาพอเห็นอะไรก็อยากได้หรืออยากไม่ได้เห็นร่างกายก็อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอย่างนี้พอเห็นก็มันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีแต่ถ้ามีอุบเบกขาก็ห้ามความอยากนี้ได้ะห้ามให้ใจเฉยๆกับความแก่ความเจ็บความตายได้ถ้าใจเฉยๆกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย ใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะรู้สึกเฉยๆเวลาที่ร่างกายแกเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาที่ร่างกายตายก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเพราะมีอุเบกขามีอัปปนาสมาธิเป็นกำลังของใจนี่คือมรรคที่มีองค์ประกอบแปดองค์ด้วยกันที่ผู้ปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์จาเป็นต้อง จเจริญขึ้นมาให้สมบูรณ์ให้ครบร้อยให้มีสัมมาทิฏฐิอยู่ในใจตลอดเวลามองเห็นอะไรคิดอะไร mm. ก็จะคิดแต่เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องการยุติการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องการละความโลภความโกรธความหลงความอยากเวลาจะทำอะไรก็ให้ดูว่ากำลังทำมีสัมมารกรรมันโตหรือไม่ว่ากาลัง จะฆ่าสัตว์หรือไม่จะรักทรัพย์จะประพฤติผิดประเพณีหรือไม่จะเสพอบายามุขหรือไม่เช่นสุรายามเมาเล่นการพนันเที่ยวเตะอย่างนี้เกลียดข้านอันนี้ต้องมีอยู่ตลอดเวลาต้องมีการคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาว่าอยู่ในมรรครือไม่อยู่ในมรรคถ้านอกออกจากทางมรรก็จะไปไม่ถึงนิพพานจะหลุดพ้นไม่ได้ต้องให้อยู่ในมรรคนะ สัมมากัมมันโตต้องไม่ฆ่าไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่ดื่มชุรายาเมาไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวเตรอไม่เกียจคร้านวาจาก็ต้องพูดวาจาคือไม่พูดบทไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพราเจ้อไม่พูดส่อเสียดหรือไม่พูดยุยงให้เกิดความแตกแยกสามัคคีกันเรียกว่าเป็นการพูดส่อเสียด แล้วก็ดูที่อาชีพว่าเราทาอาชีพที่สุดจริตหรือไม่หรือเป็นอาชีพที่ทุตจริตค่าสัตว์ตัดชีวิตหรืออาชีพที่ผิดกฎหมายขายยาเสพติดฆ้าประเวณีอะไรต่างๆอันนี้เป็นอาชีพที่ไม่ถูกต้องอย่าทำทำแล้วจะเกิดความทุกข์ไม่ได้ดับความทุกข์แต่เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจต้องอย่าไปทาแล้วก็ดูว่าเรามีความเพีย อยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าพยายามทำบุญอยู่เรื่อยๆหรือเปล่าเมื่อมีโอกาสได้ทาบุญเวลาที่มีอะไรจะมาล่อให้เราไปทาบาปเรายับยั้งใจได้หรือเปล่าเวลาโกรธใครอยากจะไปทาร้ายเขายับยั้งใจเราไว้ได้หรือเปล่าต้องคอยมีสัมมาวายามโมความเพียรชอบ<ม>เพียรละบาปเพียรเพียรทาบุญเพี ย, พยกรกําจัดกิเลส รักความโลภความโกรธเวลาอยากได้อะไรเห็นอะไรอยากได้ต้องถามตัวว่าเองว่าจําเป็นไหมต้องมีไหมเช่นเห็นเสื้อผ้าสวยๆอยากจะได้เนี่ยถามว่ามันจําเป็นต้องมีหรือไม่ถ้าไม่จําเป็นแล้วอยากได้ก็ถือว่าเป็นกิเลสเป็นความโลภแต่ถ้าไม่มีเสื้อผ้าใส่เช่นน้ำน้ำท่วมต้องหนีออกจากบ้านมาไม่มีเสื้อผ้าใส่มีอยู่ชุดเดียวอย่างนี้ แต่ถ้าจะไปซื้อเสื้อผ้าใหม่มาใส่นี้มันเป็นความจําเป็นอย่าง น, นี้ไม่ถือว่าเป็นความโลภวิธีที่จะแก้ความโลภต้องใช้เหตุผลว่าจําเป็นไหมถ้าไม่มีมันแล้วตายไหมเดือดร้อนไหมถ้าไม่ ไ, ไม่ได้มันมาแล้วไม่มีมันไม่ตาย <intervals> ไม่เดือดร้อนก็ถือว่าไม่จําเป็นแต่ถ้าว่าไม่มีมันขาดนั้นแล้วมันเดือดร้อนเสียหายต่อร่างกายต้องมีมันอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่เป็นความโลภเป็นความจําเป็น เวลาที Kirby, ่เราจะสู้กับความโลภเราต้องใช้หลักเหตุผลหลักเหตุผลก็คือจำเป็นจะต้องมีหรือไม่ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปมีมันเพราะมีแล้วมันจะเป็นความโลภโลภแล้วมันจะไม่พอมาอยังไงโลภแล้วมันจะเพิ่มความโลภไปเรื่อยๆได้ตัวนี้แล้วเดี๋ยวก็เห็นอีกตัวหนึ่งก็อยากจะได้เดี๋ยวเห็นตัวแหนไปเรื่อยๆก็อยากได้ไปเรื่อยๆได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเดี๋ยวล้นตู้เดี๋ยวก็ต้องหาตู้ใหม่มาใส่ เพราะว่านี่คือความโลภมันไม่มีประโยชน์อะไรมันมีแต่ทาให้เราต้องวุ่นวายกับการไปหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาตอบสนองความโลภต่างๆและเวลาที่เราไม่สามารถตอบสนองความโลภได้เพราะเราไม่ขาดเงินขาดทองขาดรายได้ขึ้นมาตอนนั้นใจเราจะทุกข์ทุกข์เพราะความโลภโลภอยากได้แล้วไม่ได้ดังที่เราอยากดนั้นเราต้องเห็นโทษของความโลภว่ามันจะเป็นตัวที่ จะมาสร้างความทุกข์ให้กับเราในเวลาที่เราไม่สามารถทำตอบสนองความโลภความอยากได้แต่ถ้าเราไม่มีความโลภเราก็จะไม่เดือดร้อนจะไม่ทุกข์นี่คือคือความเพียรที่เราจะต้องพยายามมีอยู่เรื่อยๆในการต่อสู้กับกิเลสตัณหาตัวที่จะสร้างความทุกข์ให้กับเรา ตัวที่จะฉุดลากให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ตัวไหนตัวความโลภนี่แหละความอยากได้สิ่งต่างๆความอยากได้ลาบยศสารเสริญ ส, สุขนี่ตัวนี้แหละเป็นตัวที่จะพาให้เราต้องไปหาลาบหายศหาสารเ ส, ร ส, สริญหาความสุขแต่ของพวกนี้มันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็มีวันหมดไปไม่หมดตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็หมดตอนตาย เวลาตายเราก็เอามันไปกับเราไม่ได้เอาลาบยศสารเสริญสุขไปกับเราไม่ได้พอเอาไปไม่ได้เราก็ต้องกลับมาหามันใหม่เราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมามีร่างกายใหม่เนี่ยทุกเนี่ยพวกเรานี่กลับมามีกลับมาหาอะไรกันถ้าไม่มาหาลาบยศสารเสริญสุขมาหาอะไรพอกลับมาปั๊บนี่ก็คิดถึงการหาเงินและหาลาบหาตําแหน่งหายศกันหาสรรเสริญกันหา หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันถ้าเราปล่อยให้มันไปหาความสุขแบบนี้มันก็จะลากให้เรากลับมาเวียนว่าตายเกิดอยู่เรื่อยเยเราต้องฝืนมันต้องอยาไปทำตามความโลภมันอยากจะได้เงินได้ทองก็ถามว่ามันต้องมีมากต้องมีสักเท่าไหร่ถึงจะพอไว้สำหรับเลี้ยงชีพพอเรามีพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้แล้วก็พอ ถ้าเรารู้จักคําว่ามากน้อยสันโดษนี้เราไม่ต้องมีเงินมากถ้าเรากินน้อยๆใช้น้อยๆมีเสื้อผ้าไม่ต้องมากมีบ้านไม่ต้องหรูหลาพอหลบแดดหลบฝนได้เปินบ้านเช่าก็ได้มันเดือนก็ไม่กี่ตังค์เราก็ไม่ต้องไปหาเงินมามากไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเราก็มีเท่าที่จําเป็นเพื่อที่เราจะได้เอาเวลาที่เราไม่ต้องไปใช้กับการหาเงินหาทางนี้ มาเจริญสติมาเจริญสมาธิกันเพื่อที่เราจะได้หยุดความอยากหยุดความโลภต่างๆให้หมดไปจากใจได้เพราะถ้าเรายังไม่มีสมาธิไม่มีสตินี้กําลังที่จะไปหยุดความโลภความอยากตัวใหญ่ๆนี้จะหยุดยากใช้เหตุผลอย่างเดียวไม่พอแต่ต้องใช้ใช้อุเบกขาที่ได้จากสมาธิและการจะได้อุเบกขาจากสมาธิก็ต้องมีเวลาเจริญสติ คอยควบคุมความคิดหยุดความคิดอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าใจคิดแล้วเวลานั่งสมาธินี้จะทำใจให้เป็นสมาธิไม่ได้ทำใจให้นิ่งสงบไม่ได้ต้องต้องมีสติคอยกากับคอยควบคุมคอยหยุดความคิดอยู่เรื่อยๆดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องอย่าไปเสียเวลากับการไปหาเงินหาทองหาลาบยศสารเสิญสุขมา เพราะว่ามันจะทำให้เราไม่มีเวลาที่เราจะมาหาธรรมะหาสติหาสมาธิกันมาหาปัญญากัน mm hmm. ต้องพยายามใช้เหตุผลอยู่แบบมักน้อยสันโดษแบบที่ในหลวงรอก้าบอกว่าเศ ร, รษฐกิจพอเพียงพอเพียงต่อการต้องการของร่างกายเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องทุบเสียเวลาหมดไปกับการหาของฟุ่มเฟือยต่างๆหาของที่มันเกินความจาเป็น เพรามันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรแก่จิตใจหรือร่างกายมีมากไปกว่าที่ต้งร่างกายต้องการมันก็ไม่ทําให้ร่างกายอายุยืนขึ้นดีขึ้นร่างกายคนคนรวยคนจนถึงเวลามันตายมันก็ตายเท่ากันมันไม่ได้อยู่ที่ว่าถ้ารวยแล้วจะอายุยืนกว่าคนจนมันไม่จริงหรอกคนจนบางคนนี่อายุยืนกับคนรวยก็มี งั้นอย่าไปหลงว่าต้องมีเงินมีทองแล้วจะทำให้ร่างกายของเราสุขสบายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่แก่ไม่เจ็ บ, ไ, ไ, ม ไ, มจบไม่ตายอันนี้เป็นความเห็นผิดจะทำให้เสียเวลาต่อการที่เราจะมาเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อสร้างอุเบกขาไว้ต่อสู้ไว้ต่อต้านกับกับความอยากต่างๆกับความโลภต่างๆที่จะคอยดึงใจให้ไปเวียนว่ายตายเกิด ที่จะคอยดึงใจให้สร้างความทุกข์ต่างๆให้กับใจอยู่เรื่อยๆต้องเราต้องใช้ความมักน้อยสันโดษในการดารงชีพยอย่าไปแสวงหาลาบยศสารสนุขเพราะมันเป็นความสุขปลอมความสุขชั่วคราวได้มาแล้วก็ดีใจเดี๋ยวๆแล้วก็ก็รู้สึกหมดไปแล้วก็อยากจะได้ใหม่ได้มาล้านหนึ่งก็ดีใจเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็อยากจะได้อีกล้าน มวนที่แล้วถูกก็จะเตรี่รางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวงวนนี้ก็อยากจะถูกอีกไม่พอเมื่อเช้านี้มีถา ม, มว่าที่แล้วถูกสองตัวมาถามเมื่อเช้านี้อยากจะได้สองตัวบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วจะให้เท่าไหร่มันเป็นอย่างนี้มันได้เท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พอถ้าเรื่องของลาบยศสารเสริญสูงได้เป็นในสิบแล้วก็อยากจะเป็นในร้อยจากในร้อยก็อยากจะเป็นในพันพอนได้เป็นนในพันก็อยากเป็นในหมื่นไป ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอของวก น, นี้พอไม่ได้ก็ทุกข์ใจเสียใจเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงกลเรื่องการห า, ราะลาภยศสรรเสริญสุขว่าเป็นการหาความสุขความจริงมันเป็นการหาความทุกข์เพราะใจจะไม่มีวันสงบไม่มีความนิ่งไม่มีความพอนั่นเองให้เรามาหาอุบเบกขากันดีกว่ามาหาสติมาสร้างสติเพื่อทาใจให้สงบให้นิ่งเป็นสมาธิ แล้วเราก็จะได้อุเบกขาได้ความอิ่มได้ความพอพอเรามีความอิ่มมีความพอภายในใจของเราแล้วเราก็จะสู้กับความโลภความอยากต่างๆได้เวลาใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันไม่จำเป็นจะต้องมีก็ไม่เอาหรือถ้าใช้ปัญญาพิจารณาแล้วว่ามันทำไม่ได้ห้ามไม่ได้ก็อย่าไปอยากมันถ้าพิจารณาว่าทำให้น่ากายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ก็อย่าไปทามันก็อย่าไปอยากมัน ก็ปล่อยให้ร่างกายแก่เจ็บตายไปตามเรื่องของมันใจก็ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายใจก็อยู่อย่างสงบอยู่อย่างสบายทำกลางการเปลี่ยนแปลงการแปรปรวนการขึ้นการลงของสภาวะธรรมต่างๆแต่ใจจะรู้สึกเฉยๆไม่ยินดียินร้ายได้มาก็ไม่ดีใจเสียไปก็ไม่เสียใจเพราะรู้ว่าถ้าไปดีใจกับการได้มาก เ, เวลาเสียไปก็ต้องเสียใจเป็นอย่างมาก ถ้าดีใจมากเวลาเสียก็จะเสียใจยมากถ้าดีใจน้อยเวลาเสียใจเวลาเสียก็จะเสียใจน้อยถ้าไม่ดีใจเวลาเสียก human ็ไม่เสียใจถ้าไม่อยากจะเสียใจไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปดีใจกับสิ่ ง, งต่างๆที่เราได้มาเพราะเราต้องรู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันต้องมีวันสิ้นสุดมันจะต้องมีวันหมดไปเ hmm. พราะนี่คือธรรมชาติของสิ่ ง, งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นอย่างนี้ นี่คือการเจริญมากโดยเฉพาะสองตัวหลังนี่คือสติกับสมาธินี่เป็นตัวที่เราต้องเจริญกันมากๆพร้อมกับสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปะต้องคอยพิจารณาอยู่เรื่อยๆถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นตายรักเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาถ้าเรามีการปฏิบัติสติสมาธิและปัญญา อยู่อย่างสม่ำเสมอใจเราก็จะมีเครื่องมา้าเครื่องมือที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆเวลาที่มันเกิดขึ้นมาเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาปัญญาก็จะสอดส่องหาเหตุ ท, ทันทีก็จะพบว่าเหตุก็เกิดจากความอยากอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์ใจก็เพราะอยากให้หายพอมันไม่หายก็ทุกข์ใจก็ต้องพิจารณาด้วยปัญญาว่ามัน มันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายที่จะต้องทุกข์ที่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยถ้ายังไม่ถึงเวลามันมันก็จะไม่หายเดี๋ยวถ้าถึงเวลามันก็หายเองแต่พยายามให้มันหายตามใจเหล่านี้ไม่ได้ต้องอดทนต้องใจเย็นๆรักษาไปดูแลไปถึงเวลามันก็หายเองถ้ามันไม่หายก็อยู่กับมันไปห้ามมันไม่ได้กําจัดมันไม่ได้ถ้าเรามีปัญญามีสมาธิมีอุเบกขามีสติ ใจเราจะเย็นใจเราจะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไปกับความเป็นความตายของร่างกายกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามของเราหรือของคนอื่นเราก็ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่ามันเป็นธรรมดาถ้ามันเป็นแล้วมันก็เป็นถ้ามันจะหายมันก็หายถ้ามันยังไม่หายมันก็ไม่หายเราไม่สามารถที่จะไปสั่งมันได้ เราไปวุ่นวายไปกับมังก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากสร้างสร้างความทุกข์ใจให้กับเราแต่เราไม่ต้องการความทุกข์ใจเราก็ต้องยอมรับกับสภาพความเป็นจริงของธรรมชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นร่างกายก็ดีหรือจะเป็นดินฟ้าอากาศก็กดีหรือเรื่องเศรษฐกิจก็ดีเรื่องภาวะการบ้านการเมืองต่างๆก็ดีมันก็เป็นเรื่องของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีการขึ้นมีการลง เราไม่มีใครไปควบคุมบังคับมันได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์กับมันก็ยอมรับกับสภาพไปอย่าไปมีความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดีก็คือจะทำให้ใจของเรานี้ไม่มีความทุกข์กับอะไรต่อไปถ้าเรามีมรรคแปดคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกประความคิดชอบสัมมากรรมโตการกระทาชอบสัมมาวาจาการพูดชอบ สัมมาอาชีวโมมีอาชีพชอบสัมมาวายามโมมีความเพียรชอบสัมมาสติมีการระลึกรู้ชอบสัมมาสมาธิมีการตั้งตั้งมั่นของของใจชอบถ้าเรามีทัพมรแปะอยู่ในใจแล้ ว, ลวเราก็จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆละความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ได้หมดสิ้นไปจากใจ ใจเราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปใจเราก็ตั้งอยู่ในนิพพานไปตลอดอนันตการนี่คือเรื่องของธรรมะหรือมัคแปดที่พระเจ้าได้ส่งค้นพบและนำามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราถ้าพวกเรามีศรัทธามีความเชื่อแล้วพยายามปฏิบัติตามให้ได้รับประกันได้ว่าเราก็จะไปถึงนิพพานเช่นเดียวกันอย่างแน่นอน การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาบุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตุทินางเปตานางอุปกา ป, ปฏิยิทิตังปัธิตังตุมหังคิดเมวะสมิจัตุสัพเพปุเรนตุสังกาปา จันโทปนะระโสยธาไมณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโปภวะอภิวาธนศีลิสะนิจังวุฒาปจายโน จัตตาโอธามาวัตันเตอายุวันโอสุขังพาลัช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวเพราะหลังจากที่เราเลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะถามตอบอยากจะถามอะไรเดี๋ยวเชิญเข้ามาถามได้ ถามได้ด้วยตนเองหรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือจะถ้ามีมือถือก็ส่งข้อความเข้ามาทางเพจทางเ a c ทาง o k หรือทาง YouTube ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ค่ะยอดผู้รับชมทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ414ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์251ท่าน YouTube d r เ Channel 94ท่านวิทยุออนไลน์9ท่าน Clubhouse 10ท่านผู้รับฟังหน้าบุติ141ท่านรวม919ท่านค่ะมิมกิอยากมิกิอยากจะถามบางถามหไหมหรือไม่ถามถามเองไหม <c oughs> มาถามเองเลยก็ได้เนี่ยมันก็ฟน กลับพอเข้ามาก่อนนะครับคือคําถามผมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติครับหลวงพ่อแต่ว่าของผมมีของที่ผมไม่ได้ใช้ครับไม่ได้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นของใช้ อ, อแต่ว่าผมอยากจะมาถวายเนี่ครับจะถือว่าเป็นการปราโมายพาระรัตนาตรัยไหมครับพรามทเหรอเป็นให้ของของดีของไม่เป็นแต่ของให้มันมีประโยชน์ทันใดใช้ได้ไม่ใช่ของเสียแล้วก็มาให้วัดเป็นกองขยะไปไม่ได้เสียครับ ก็ต้องดูด้วยว่าวัดนี้ก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่าหรือวัดเขายินดีทำไหมบางวัดอย่างเช่นวัดสวนแก้วของท่านพระพยอมนี่ท่านับของเก่าอ่ะนแล้วก็ให้ไปแล้วเขาก็จะมีคนมามาจัดการถ้ามันเสียเขาก็ซ่อมถ้ามัน เ, เป็นพวกวัตถุที่เป็นโลหะครับ ผมขออนญาตบอกเลยครับเป็นไม้ก๊อฟนะครับอ๋ออันนี้เอาไปหล่อพระอย่างนี้ถือว่าเป็นการปลามาดไหมครับอ๋อไม่เราเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่นิยมอ๋อไม่ใช่ว่าอยู่ที่ว่าเขามีการหล่อหรือไม่หล่อครับครับเน้นควรจะเอาไปให้ที่เขาใช้ได้จะดีกว่าครับแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่ถือว่าเป็นการปรามาดพระตาจารยนะครับ่ไกนการให้ของให้านี่ยโอเคไม่ไม่เป็นการปลามาดไม่เป็นการไปทําอะไร อยู่ที่ว่าผู้ที่เขารับเขาสะดวกจะรับหรือไม่ได้ครับคนจะถามเขาก่อนว่าถ้าเอาของอหลนี้มารับได้ไหมเพราะบางแห่งเขาก็ไม่รู้จะไปทำอะไรไม่มีประโยชน์ในสถานที่นั้นก็กลายเป็นที่ไปตกองขยะของขยในวัดต่อไครับ่นก็ไปถามที่ที่เขาต้องการการให้นี้ไม่จําเป็นจะต้องให้กับวัดเองอย่างเดียวให้โรงพยาบาลให้โรงเรียนให้ที่ไหนก็ก็เป็นบุญเหมือนกันได้ครมือนับ ขบคคุณรัให้เลี้ยงถึงประโยชน์ของผู้รับด้วยไม่ใช่ให้เพราะเราอยากจะให้เขาแต่เขาใช้ไม่ได้ให้เขาแล้วเขาก็ไม่รู้จะไปทําอะไรเขาก็ต้องไปให้คนอื่นต่อท่อนอย่านี้ครับขอบพระคุณครับใครอยากจะถามเข้ามาถามต่อได้เลยเอาเอาไม้วางไว้นอนการ์ดมัสการพระอาจารย์ครับผมคือกระผมปฏิบัติ แบบดูอาการเคลื่อนไหวแห่งจิตแบบการเกิดดับอะไรพวกนี้แหละทั้งที่เราตั้งสติดูการเกิดดับเรารู้ว่าความคิดมันเป็นทุกข์อารมณ์ปรุงแต่งมันเป็นทุกข์แต่ในสภาวะที่เรายังไม่เจออารมณ์เราก็ยังพอสู้เขาได้แต่เมื่อมีอารมณ์เข้ามากระทบอารมณ์ปรุงแต่งก็จะเกิดมากมายทั้งที่เราก็ดูเหมือนเหมือนเราสู้ไม่ไหว อ, อันนั้นเป็นเพราะเหตุอะไรครับเพราะเราข้ามขั้นตอนเราไม่มีเครื่องมือสู้กับมันไม่มีอุเบกขาเราต้องฝึกสติฝึกสมาธิให้เข้าอัปปนาสมาธิให้ได้ก่อนแล้วเราจะมีอุเบกขาแล้วต่อไปเราถึงไปดูจิตได้ดูอารมณ์ได้เราต้องเริ่มต้นที่สติสติฝึกสติคือหยุดความคิดโดยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปแทน หดูเฝ้าดูไม่ให้ใจไปคิดถึงอดีตอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันให้รู้เฉยๆรู้ว่าเรากําลังทําอะไรหรือว่าเรากําลังเดินกําลังยืนกําลังนั่งกําลังอาบน้ำกําลังแปรงฟันกําลังแต่งเนื้อแต่งตัวกําลังรับประทานอาหารอะไรอย่างนี้ให้รู้ไปเฉยๆเมื่อให้คิดถ้าคิดก็ต้องหยุดมันด้วยพุทโธพุทโธไปแล้วก็มานั่งสมาธิถ้าเราหยุดคิดได้นั่งสมาธิจิตก็จะเข้าสมาธิได้เข้าไป อ, อ, ไปอุเบกขาได้ พอเรามีอุเบกขาแล้วทีนี้มาดูจิตได้แนละ้วถ้ามันเริ่มคิดปุงแต่งก็หยุดมันได้เลยถ้ามันเริ่มมีอาการฟุ้งซ่านเข้ามาก็หยุดมันได้ด้วยด้วยอุเบกขานะเราไม่มีเครื่องมือตอนนี้ยั ง, ย, งยังไม่ถึงเวลาไปดูจิตตอนนี้เวลาสร้างเครื่องมือสร้างอุเบกขาให้กับจิตก่อนและเราในสภาวะที่ ในสภาวะที่ที่มีอารมณ์เข้ามาก่อกวรมาก ๆ, ๆนี่เราจะอยู่ในเราจะต้องบังคับให้จิตสงบหรือว่าเราต้องปล่อยหรือว่าถ้าถ้าเรายังไม่สามารถที่จะปล่อยให้มันเป็นไปแล้วเราไม่วุ่นวาย ก, กับมันได้เราก็ต้องหยุดมันก่อนใช้พุโทโธพุโทโธใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธไป แต่ถ้าเราคิดว่าปล่อยให้มันเป็นยังไงก็ได้แล้วเราไม่เดือดร้อนกับมันก็ปล่อยนได้เราปล่อยได้เมื่ะเอไงเรากวดทุกข์เนี่ยถ้าเราทุกข์ก็เราก็ต้องหยุดมันแต่ถ้าเราไม่ทุกข์กับมันเราก็ไม่ต้องหยุดมันพาใจไหมครับผมขีดสองระดับ ถ้าเรายังทุกข์อยู่ก็ต้องหยุดมันแต่ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้มันจะมันจะเป็นยังไงก็ปล่อยมันไปไม่ไปทุกข์กับมันถ้าเราไม่ทุกข์กับมันก็ปล่อยมันได้ถ้าเราไม่ไปทุกข์ก็ปล่อยได้ได้ถ้าเราทุกข์ก็ต้องหยุดมันก่อนขอบคุณมากครับโอเคคำถามจากคุณวโรตระมาคุณค่ะนิโมนพระอาจารย์ช่วยขยายความและแนวแก้ไขตัวเองด้วยค่ะ ไม่หุดหงิดไม่ขุนมัวไม่รำคาญในหลายหลายครั้งแม้แต่ตอนนี้ต้องนั่งอยู่ในสถานการณ์ที่น่าอึดอัดจะบอกจะพูดขอให้หยุดก็ไม่ได้ทำอย่างไรไม่ให้หุดหงิดไม่ให้ขุนมัวไม่ให้รำคาญคาญ่ะก็ใช้สตินะบริกรรมพุทโธพุทโธไปเวลาเกิดอาการหุดหงิดก็แสดงว่าจิตเราทุกข์จิตเราปรุงแต่งจิตเราอยากเราก็ต้องหยุดมนันหยุดด้วยสติก่อน ก็หยุดด้วยปัญญามันยากเรายังไม่ถึงขั้นปัญญาเราก็เอาขั้นสติก่อนบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตก็นิ่งสงบแล้วก็หายเหงี่อได้ทคำถามจากคุณจิราภร์ทำไมคนชั่วถึงได้ดีพระพุทธเจ้าสอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่เป็นจริงเลยดิฉันโดนเขาเบียดเบียนครอบครัวต้องแยก กับครอบครัวโดยที่เราอยู่กันมา40ปีตอนนี้ผู้หญิงซึ่งเป็นเมียเพื่อนเข้ามาอยู่และสามีซ้อมไล่ออกจากบ้านต้องขึ้นศาลและผู้หญิงเป็นฝ่ายชนะเพราะให้ทนายซื้อตัวทนายด้วยกันแล้วคนชั่วอยู่ในสังคมอย่างผู้ชนะอันนี้มันเป็นเรื่องของสังคมทางโลกเรื่องของดีชั่วด้วยทางศาสนาเราหมายถึง จ, จิตใจ ถ้าเราทำชั่วเราก็จิตใจเราก็จะเร็วจิตใจเราก็จะตกต่ำเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นเป็นผีเป็นนรกไปถ้าเราทำดีจิตใจเราก็สูงเป็นเทพเป็นพรมเป็นอริยบุคคลไปมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะมีเหตุการณ์ดีหรือไม่ดีที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราอันนี้มันเป็นเรื่องของทางโลกซึ่งมันไม่ได้ เกี่ยวกับเรื่องดีเชื่อมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยมันเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์กันมากกว่าถ้าใครได้รับผลประโยชน์เขาก็เ อ, อื้อเอื้อประโยชน์ให้กับเราถ้าเราไม่ให้ผลประโยชน์เขาเขาก็ไม่เอื้อผลประโยชน์ให้กับเราแนี่นมันเป็นข้อกันเรื่องกันเราไปจับแพะชนแก่กันศาสนาเราพูดดีชื่วไหมายถึงจิตใจเราดีชื่อไปกับการกระทําของเราเองแต่เรื่องของ การได้การเสียผลประโยชน์ในโลกนี้มันเป็นเรื่องของโลกที่มันมีมันมีวิธีได้เสียกันหลายแบบได้มาด้วยความดีก็มีได้มาด้วยความชั่วก็มีแต่ผลกระทบจิตใจมันต่างกันถ้าได้มาด้วยความดีใจไม่เสียใจยังดีอยู่แต่ถ้าได้มาด้วยความชั่วถึงแม้จะได้ดีได้ดิบได้ดีแต่ใจเสียใจตกต่ำลง กฎแห่งกรรมนี่เกี่ยวกับเรื่องจิตใจไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องลาบยศสรเสริญสุขลาบยศสารเสริญสูขนี่บางคนทำบาป ท, ทำกรรมทำาชื่วก็จเจ ร, ริญในลาบยศสารเสริญสุขได้ตำแหน่งสูงได้เป็นเศรษฐีได้เป็นอะไรกันแต่จิตใจลงตับโดยที่เขาไม่รู้ตัวจิตใจเขาจากมนุษย์ก็กลายเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปล้าเขาทำความชั่ว หลายคนที่ทำความดีแล้วได้ดีได้ดีทางลาบยศเสรรส่วนสุขเขาก็จะได้ทั้งสองอย่างได้ลาบยศสรรส่วนสุขและเขาก็ได้จิตใจที่ดีด้วยขอให้เราเข้าใจแยกแยะว่าเรื่องโกดังกรรมนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องลาบยศสรรสนสุขแต่เกี่ยวกับเรื่องจิตใจโดยตรงจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะผู้ที่เป็นทวิเหตุกะบุคคล ทำอย่างไรก็ไม่สามารถเป็นอริยบุคคลได้ใช่ไหมครับและต้องพยายามสะสมบุญให้มากๆเพื่อไปบรรลุในชาติต่อไปใช่ไหมครับก็ถ้าไม่ได้ชาตินี้ก็ต้องทำต่อไปเรื่อยๆถ้าทำไม่หยุดวันใดวันหนึ่งก็ต้องได้ชาเร็เรวเท่านั้นอยู่ที่ความพยายามพระเจ้าบอกหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรความพยายามไม่ว่าจะเป็นบุคคลชนิดไหนก็ตาม ถ้ามีความเพียนไม่ช้าก็เร็วก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ข้อที่สองผู้ผู้ที่เป็นทวิเหตุกบุคคลไม่สามารถเข้าฌานหรืออปปนาสมาธิได้ใช่ไหมครับไม่รู้เหมือนกันนะั้นเราไม่ได้เรียนทางนี้ไม่รู้ทวิบุคคลนนี้เป็นยังไงคุณต้องไปศึกษาจากแหล่งที่คุณไยค้นหามาหรือแปลความหมายให้เรารู้ว่าเขาเป็นภาษาบาลีเราไม่เข้าใจ คำถามจากคุณทูแม็กซ์ค่ะ พ, พระอริยะแต่ละขั้นมีอะไรเป็นตัวชี้บอกให้รู้ว่าเราหรือคนที่เราคุยด้วยอยู่ขั้นไหนครับคนที่เราคุยด้วยเราอาจจะไม่รู้หรอกเพรา ะ, ราะถ้าเราไม่มียาณอย่างทราบวาระ จ, จิตของเขาแต่เรารู้เรื่องของเราได้ ร, ร, รู้ว่าเราทุกข์กับเรื่องนี้หรือไม่ทุกข์กับความแก่หรือไม่ทุกข์กับความเจ็บความตายหรือไม่ ถ้าเราไม่ทุกข์เราก็ถือว่าเราอยู่ในขั้นโสดาบันแล้วแต่ถ้าเรื่องของคนอื่นเราไม่รู้เราคุยกับเขาเขาอาจจะโกหกเราก็ได้เขาถ้าไม่ทุกข์แต่ใจจริงมันมันทุกข์แต่เขาไม่เขาไม่อยากจะบอกเราเพราะเขาอายเขา อ, อ, อยากจะอวดว่าเขาก็เก่งเหมือนกันเรานอกจากเราอ่านใจเขาได้ถ้าอาจจะว่าอันโกหกเรื่องอะบางอย่างนึง่งใจอย่างหนึง่งอันนี้ก็ถึงจะรู้ได้อย่างพระพุทธเจ้านี้ไปโกหกพระพุทธเจ้าไม่ได้ พระเจ้าอ่านใจเราได้เวลาที่แสดงธรรมครั้งแรกแล้วพระอัญญาณโกณทัญญาไม่ไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายพระเจ้าก็รู้ว่าอ๋ออัญญาณโกณทัญญะเธอรู้แล้วหนาะเธอรู้แล้วหน อ, ว, หนอว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเธอทําทอะไรกับมันไม่ได้พระเจ้ารู้อ่านใจได้แต่ถ้าพวเราอ่านใจเขาไม่ได้นี้เราไม่รู้ปากพูดอย่างใจอย่างอยปากกระจายบางทีไม่ตรงกัน งั้นเราไม่สามารถที่จะรู้ใจของเขาได้ถ้าเราไม่มีมียานอย่างทราบแต่ถ้าคุยกับเขาได้คุยแล้วบางทีต้องหาข้อสอบที่ที่เขาไม่รู้ถ้าถ้าเขารู้จริงเขาจะตอบได้อันนี้ก็ก็ต้องอยู่ที่ความสามารถของการที่จะไปค้นหาความจริงในตัวเขาซึ่งก็ไม่จาเป็นจะต้องไปรู้หรอกเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเขาจะอยู่ขั้นไหนกับเรื่องของเขา ถ้าเขาเป็นเขาก็เป็นเนี่ยแล้วก็ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่เป็นเราก็จะไปทําให้เขาเป็นมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันนั่นก็เป็นเรื่องของเขาไปช่วเรามาทําตัวเราดีกว่าเราอยู่ขั้นไหนแล้วเราทำให้มันเป็นขั้นที่สูงกว่านี้ได้หรือเปล่าทำมันทําที่ตัวเราดีกว่าไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องของคนอื่นคำถามจากคุณภูมิค่ะจิตเปลี่ยนอิริยาบถเดินจงกรมเองเปลี่ยนเสียงสวดมนต์เอง สมาธิขั้นไหนครับหรือผิดทางครับเป็นขั้นไม่มีสติเอถ้าไม่มีสติก็ปล่อยให้จิตเป็นอัตโนมัติเหมือนรถเกียร์อัตโนมัติมันเปี่ยนเกียร์ของมันเองไม่ใช่เป็นเกียร์แมนนวลถ้าเป็นเกียร์แมนนวลนี่เราคอยเปลี่ยนได้เปลี่ยนเข้าเกียร์หนึ่งเกียร์สได้แต่ถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติมันก็เปลี่ยสั่งมันไม่ได้ถ้าจิตที่ไม่มีสติมันก็มันจิตมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามอารมณ์ของมันแต่ถ้ามีสติก็เราก็ควบคุมบังคับมันได้นะครับ ถามจะคูณไมตรีตอนนั่งสมาธิทําไมที่ศีรษะรู้สึกเย็นวูบวาบในบางครั้งครับก็ให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปถามว่าทําไมให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้รู้ว่าไม่เที่มันเกิดแล้วดับรู้ว่าเราไปควบคุมบังคับนั้นไม่ได้แล้วก็ปล่อยวางมัเท่านั้นเองไม่ต้องไปสนใจกลับมาดูลมให้สนใจอยู่กับลมสนใจอยู่กับพุทโธเวลานั่งสมาธิอย่าไปสนใจกับเรื่องอื่นถ้าไปสนใจกับเรื่องอื่นมันก็จะ มันก็จะติดอยู่ตรงนั้นมันก็จะไปต่อไม่ได้เข้าสมาธิไม่ได้คำถามจากคุณจิรารัตน์โยมฝึกสติด้วยในชีวิตประจำวันด้วยการเดินเท้าขวานึกพุธเท้าซ้ายนึกโททั้งการเดินไปตลาดการขึ้นสะพานลอยเช่นนี้จะเป็นการไม่หมัดไม่เหมาะสมไหมคะเนื่องจากนำของสูงมาระลึกคู่กับการเดินไม่เกี่ยวว่าันเหรบ คุทโทนี้ไม่ได้สูงไม่ได้ต่ำเป็นคําพูดที่จะคอยระงับความคิดต่างๆของเราทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องสูงเรื่องต่ำอเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คําพูดนี้เพื่อมาหยุดความคิดต่างๆทั้งนี้คาถามจากคุณกรอเรียสอยากให้พระอาจารย์แนะนําวิธีการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิสําหรับเด็กๆอายุสิบ ป, ปัขวข์ค่ะก็แม่ก็พานั่งไปสิ นังแล้วก็บอกลูกทำตามที่แม่ทำแม่นั่งพุดโธก็บอกให้นั่งพุดโธตามนั่งถ้าแม่ไม่นั่งด้วยลูกเขาก็ไม่นั่งสอนอยังไงเขาก็ไม่ทำเหมือนแม่ปูสอนลูกปูนะตอนให้ลูกปูเดินตรงๆแต่เดนแม่ก็เฉไปเฉมาลูกมันก็เดินตามแม่ดงนั้นพ่อแม่อยากจะให้ลูกทำอะไรพ่อแม่ต้องทาเป็นตัวอย่างไม่ใช่มาโยนให้พระสอนแล้ว อีลูกมันเราต้องมีหน้าที่เลี้ยงลูกสอนลูกเพราะงานเป็นครูบาอาจารย์คนแรกของลูกนยงั้นต้องพยายามอย่าละเลยหน้าที่อันนี้อย่าปรโยงหน้าที่ให้คนอื่นจากคุณกรอเรียสอีกข้อค่ะการฝึกจักระทั้งเจมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรไหมคะอันนี้ไม่ทราบจากกักระไม่ได้เรียนทางนี้จากคุณนอร์แมนคุกการให้ธรรมทาน การให้ทําเป็นทานความหมายคืออย่างที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้พระปัญจวัคคีได้ทำเป็นพร ะ, พระอริยบุคคลหรือพิมพ์หนังสือธรรมะแจกจ่ายนับเป็นการให้ธรรมทานใหม่ครับเหมือนกันเพียงแต่ว่าประสิทธิภาพมันอาจจะไม่ไม่เท่ากันพระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็เป็นเหมือนหมอรักษาคนไขน้แต่ถ้าเอาให้หนังสือธรรมะไปก็เหมือนให้ตำรารักษา ให้คนไข้ไปรักษาเอาเองมันก็ต่างกันตรงนั้นถ้าหมอหมอหมอรักษาหมอจะรู้ทันทีว่าเป็นโรคอะไรต้องใช้ยาอะไรแต่ถ้าให้ตาราคนไข้ไปแล้วบอเอา้านี่คือตารารักษาคุณไปอ่านค้นหาเอาเองว่าคุณเป็นโรคอะไรต้องใช้ยาอะไรมันก็ช้าหน่อยและอาจจะ ย, ยากและอาจจะรักษาไม่ได้ก็ได้เพราะอ่านแล้วไม่เข้าใจก็ได้เฉะนั้นมันก็เป็นธรรมะเหมือนกัน ยางธรรมทานที่มีประสิทธิภาพที่สุดต้องเป็นธรรมะของของแท้ของจริงของผู้ให้เช่นถ้าพระพุทธเจ้าให้นี่ได้ของแท้ของจริงฟังปุ๊บได้ปั๊บเลยได้ผลทันทีเลยแต่ถ้าเป็นของที่มันมีเป็นตาราแล้วเราไปให้คนอื่นเขาเขาต้องอ่านแล้วถ้าเขาอ่านแล้วเ้าไม่เข้าใจมันก็ไม่เกิดประโยชน์คำถามจากคุณสุ ก, กัญญา เวลาเราหลงไปพอรู้สึกตัวก็จะพุโทโธเองอย่างนี้เรียกว่าสติมาเองใช่ไหมเจ้าคะะมาเองไม่มาเองก็ไม่สำคัญควาอมมันมาก็แล้วกันคำถามจากคุณทูแม็กซ์ผมนั่งภาวนาได้เต็มที่สักสองชั่วโมงพอออกสมาธิแล้วปวดขามากคลานเลยอย่างนี้ถูกไหมครับก็รอให้มันหายก่อนแล้วค่อยรู้ ก, ก็ได้เนี่ยถ้าทมันต้องไปคลานด้วย เดี๋ยวมันก็หาเองแล้วคนที่นั่งนานกว่านี้เขาทนได้อย่างไรครับถ้าจิตสงบมันจะไม่มีอาการเจ็บปวดเลยเอาจากสมาธินี่ลุกขึ้นยืนเดินได้ไเลยเพราะว่ามันไม่มีการต่อสู้กันระหว่างใจกับกิเลสแต่ถ้าใจาไม่ใจไม่สงบนี่มันจะทำให้มันไปเจ็บปวดทางร่างกายด้วยเพราะออกจากสมาธิมามันยังไม่หายเจ็บปวดแต่ถ้าจิตสงบนิ่งมันไม่มีการต่อสู้กัน ใจมันก็ไม่ไปกระทบก็เทือนร่างกายร่างกายก็รู้สึกเฉยๆพอจากสมาธิมาก็สามารถขยับแคะขยับขาเคลื่อนไหวได้ทันทีคำถามจากคุณนะัธพาถ้าเรานอนฝันร้ายแล้วละเมอต้องแก้ที่ตรงไหนคะแก้ที่ทำบาปทำบาปนี่เป็นเหตุให้เราฝันร้ายทำบุญแล้วเราจะฝันดี คำถามจากคุณกรอเรียสหากประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่สบอารมณ์ทำให้มีความโกรธอย่างแรงกล้าขึ้นมาเกิดความไม่ได้ดั่งใจควรจะจัดการกับอารมณ์เหล่านั้นได้อย่างไรมีวิธีระ ง, งับและสอนจิตอย่างไรคะก็ต้องยอมรับสภาพว่ามันเป็นของที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้เหมือนกับฝนตกแดดออกน้ำท่วมเราก็ไปห้ามมันไม่ได้มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สิ่งต่างๆที่เราประสบก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งเจอคนไม่ดีพูดไม่ดีกับเราอนี้เราก็เป็นถือว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติสิ่งที่เราต้องทําก็คือทําใจยอมรับกับสภาพถ้าเราไม่ต้องการเราก็จะทุกข์ตอนนี้คหมดแวล้นะโอเคมีใครอยากจะถามอะไรไหมอ้าวเข้ามาเชิญจับน่าประทับใจ ผมพยายามฝึกสมาธิมันมีสภาวะที่เคยเจอแล้วมันแตกต่างออกไปจากการที่ทํามาทั้งหมดครับปกติก็จะสนุกบ้างฟุ้งซ่านบ้างเดินเงินไปเดินเงินมาสภาวะนี้ผมเคยเจอทั้งหมดอยู่สองครั้งรู้สึกว่าร่างกายมันหายไปหมดเลยครับแล้วมันก็จะมีจิตโดดๆเราก็ถามตัวเองว่ามัน มันจะไปต่อยังไงครับมันมันยิ้มเงียบมากแล้วอไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงแล้วสภาวันนั้นมันก็ค่อยถอดออกก็กลับมาฟุ้งซ่านบ้างมีมีสมาสงบบ้างครับผมเลยอยากจะทราบว่าผมทำผิดไหมครับหรือว่าไม่ผิดหรอกมันเป็นพระเป็นการสงบของจิตหน้าที่ของเราคือให้มีสติรู้เฉยๆทด้รู้กับสภาพนั้นไปไม่ต้องไปทำอะไรกับันขอบคุณครับ คำถามจากคุณททมค่ะพ่อแม่เราเกิดป่วยหนะักอยู่ได้เพราะเครื่องช่วยหายใจแต่หมอบอกว่ายังไงก็ไม่รอดหมอถามความยินดีกับเราว่าควรถอดเครื่องช่วยหายใจถ้าเรายินดีมันจะเข้าข่ายอนันตริยกรรมหรือเปล่าครับไม่หรอกเป็นการยุติการรักษาเท่านั้นเองไว้ให้ร่างกายอยู่ไปตามธรรมชาติของเขาให้เขาหายใจเอง าหายใจได้ก็หายใจไปหายไม่ได้ก็หยุดหายใจไปไม่ได้เป็นการไปทําให้เขาตายเป็นการยุติการรักษาหมดแล้วโอเคนะถ้าไปฉีดยาให้เขาตายเห็นว่าไงเขาจะตายแล้วยังไม่ตายสักทีก็ฉีดยาให้ตายเลยอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นการทาบาตแต่ถ้าปล่อยให้นั่งกายเขาตายไปตามสภาพของเขาไม่บาต